คือการทำบุญทำทานมีข้าวน้าโภชนะอาหารผ้านุ่หมหอมยาแก้โรคภัยไข้เจ็บที่อยู่อาศัยอันนี้คือว่าปัจจัยสี่ทานะปัจจัยสอันที่สองก็คือวิทยาทานคือการให้ความรู้กับเขาเมื่อเขาไม่รู้วิธีขับรถอย่างนี้นะวิธีตัดผมอย่างนี้นะวิธีเย็บผ้าอย่างนี้นะวิธีทานาอย่างนี้นะวิธีทำสวนยางอะไรสอนให้เขาอันนี้แล้วว่า หาวิชาอาชีพให้เขาในสำมาชีพเขาก็เลี้ยงตัวได้อันนี้แหละ ว, วิทยาทานเพราะการให้ความรู้กับเขาแล้วก็ให้อภัยทานก็คือเราไม่ถือโทษโกรธเคืองถ้าเราเขาทานิทิชหน่อยๆให้เราเราก็ไม่โกรธไม่ผูกพยาบาทอาฆาตใครเราให้อภัยอภัยทานอันนี้ก็ส่วนหนึ่งถ้าโลกทั้งโลกมีการให้อภัยกัน โลกทั้งโลกก็จะร่มเย็นเป็นสุขในระดับหนึ่งเหมือนกันนะถ้าหกว่าโลกของเรามีแต่ถือโทษโกรธเคืองทําอะไร น, นิดหนหน่อยก็ออหน้าบุญหน้าเบีเ้ยวผลในสูตรก็ทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นนี่แหละอันนี้แปลว่าไม่ให้อภัยไม่ให้อภัยกันอ้าวอภัยทานไม่มีโลกทั้งโลกก็จะเดือดร้อนเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ธรรมะทานก็อย่างลุงพ่อหรือว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านให้แนะนําคําสอน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 แต่วันนี้หลวงพ่อเองอยากจะแนะนําเพราะพี่น้องศรัทธาญาติโยมลูกหลานหรือว่าอุบาสกอุบาสิกาโดยเฉพาะ อ, อย่ันยิ่งพวกขาวพวกชีและกับผีผีน้องๆ อ, อย่างลุงพ่อ เ, เป็นพวกพระผู้ปฏิบัติกิตภาวนาผู้อยู่วงในหลวงพ่อเองอยากจะเน้นหนะักเรื่องภาวนาจะมากกว่านะวันนี้นะ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 เพรนั้นหลงพ่อเองอยากจะบอกกล่าวเพราะว่าพี่น้องชาว อ, อุรอุรเนี่ยเป็นแหล่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มาอยู่ที่อุดรเนี่ยมีแต่พระมหาเถระผู้ใหญ่โดยเฉพาะอ ย, าอย่างยิ่งหลวงปู่ขาวหลวงตามหาบัวอย่างเนี้เออดังระเบิดไปทั่วทศทิยดังไปทั่วโลกก็วาดาเพราะฉะนั้น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 ครูบาอาจารย์แถบนี้มีเยอะนะแต่ล้นแล้วจะเป็นศิษยานุศิษย์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นพระมหาเจระที่น่ากราบไหว้เคารพสักการะบูชาด้วยกันทั้งนั้นเพราะนั้นพวกเราในฐานะศิษยานุศิษย์ทั้งหลายควรจะยึดแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นของพวกเรา ว่าอะไรเพราะหลวงปู่มั่นของเราเป็นต้นตระกูลและหลวงปู่เสาเป็นต้นตระกูลเมื่อท่านเหล่านั้นหลวงปู่มั่นก็ดีหลวงปู่เสาก็ดีหลวงปูงป่ขาวก็ดีหลวงปู่น้องแสงก็ดีหลวงปู่หลวงตามหาบัวก็ดีเมื่อท่านได้จุตินิรพานไปอั ฐ, ฐิธาตุของท่านกระดูกของท่านพูด ง, ง่ากระดูกของท่านได้กลายเป็นพระธาตุให้กับพวกเราได้เห็นตําตาตําใจของพวกเรา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 หายใจออกรว่าหายใจออกเวลาก้าวขาขาขวารว่วขาขว า, ข า, ข, วาขาซ้ายก็รั่วขาซ้ายเดินจงกร ม, กมแต่ท่านบวกเขาอีกนะอาณาปานสติคือกำหนดลมหายใจเข้าเรียกว่าอาณาปานสติลมหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าและหายใจออกแต่หลวงปู่มั่นท่านให้บริกรรพุทโธด้วยนะสำทับพุทโธด้วย เพราะเหตุไเพราะว่าถ้าเรากาหนดธรรมดามันหลงมันลืมมันเผลอได้ง่ายเพราะท่านานจึงให้กาหนดเวลาหายใจเข้าบริกรรมพดหายใจออกบริกรรมโถหายใจเข้าพุธหายใจออกโทพุดโทพุดโทเวลาเดินก็เหมือนกันถ้าเดินเนี่ยมันการเคลื่อนไหวแล้วจะเป็นพุดโทในจมูกของเราเนี่ยในปลายจมูกของเรามันไม่ได้มันจับสม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 เราก็ให้มีสติสัมปชัญญะในการพูดของเราเราพูดเรื่องอะไรให้มีสติสัมปชัญญะในการพูดนี่แหละฉลบแล้วก็คือให้มีสติในการเป็นอยู่นี่แหละวิธีการเบื้องต้นแต่เรามาเปรียบเทียบกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเถอพระพุทธเจ้าที่ท่านออกไปจากเวียงวงังออกจากกรุงกบิลพัท ไปศึกษาไปอยู่ในป่าอไปบวดที่แม่น้ําอโนมาณทีคอยเขตแขวงกรุงราชสุขนะจากกรุงก บ, บิลพัทถ้าพวกเราได้ไปอินเดียนะแล้วกเ็เราจะรู้ได้ว่าพระพุทธเจ้ามาบำเพ็ญศีรษะมาบําเพ็ญที่ไหนถ้าท่านไปบําเพ็ญอยู่ที่แม่น้ําอโนมาณทีเขตแขวงกรุงราชสุข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 รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นนะฟังดูซิอันนี้คือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าและกรรมฐานสิท ธ, ธัทธะที่คืนที่วันเดือนหกเพนที่ท่านจะได้ตัดรู้ในวันนั้นในเมื่อท่านพระ อ, องค์นั่งขัดสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านกดกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพระไทยหรือใจของพระ อ, องค์ รวมสงบลงเป็นหนึ่งพอรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเกิดญาณรนะัศนาเกิดฌานขึ้นมาล้ำลึกชาติผลหลังได้จังว่าปุพเพเนวาสานุสติญาณละลึกชาติผลหลังได้เพราะฉะนั้นหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านยืนยันเลยนะขนา้าพเจ้าทายาธโยมลูกหลานทุกคนนะตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนะเอถ้าว่าตายแล้วสูญนะจะล้ลึกชาติผลหลังได้อย่างไงที่ล้ำลึกชาติผลหลังได้ก็เพราะว่าตายแล้ว อแล้วเกิดตายละเกิดตายละเกิ ด, แ ล, กดและตายละเกิดเ อ, อมีอดีตชาตเิเพราะฉะนั้นพระพรทธองค์จริงว่าปุเพเนว่าสานุสติญา ล, ลึกชาติผลหลังได้ชาติที่แล้วมาจากไหนมาจากไหนมาถึงที่นี่พอถึงเที่ยงคืนพระองค์นั่งสมาธิพระไทยใจของพระองค์อย่างแน่วนิ่งจากนั้นพระองค์ส่งจิตไปดูคนอื่นเ อ, อ, อย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่มานั่งอยู่นี่ เป็นร้อยๆ้อยคน 200, คน่ส อ, องสามร้อยคนเน่ะพระองค์ก็สรงจิตไปคนนี้มาจากไหนทำไมไม่เหมือนกันแหมรูปร่างก็ไม่เหมือนเหมือนกันสติปัญญาก็ไม่เหมือนกันบุญวาศาสนาบา ร, รมีก็ไม่เหมือนกันหน้าที่ตำแหน่งก็ไม่เหมือนกันทำไมเกิดมาเป็นคนจึงไม่เหมือนกันพระองค์คนรู้ดูไปอีกดูดูดูดูดูดูดดดดดไปห้ค้ายๆดูไปหาต้นต่อมาจากไหน แต่ละปิญญาเ น, นี่ยท่านว่ามาจากกรรมกรรมคือการกระทำถ้าว่าผู้ใดคิดดีทำดีพูดดีผู้นั้นก็จะได้ไปสู่ความสุขความเจริญถ้าว่าคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วคนนั้นก็จะตกต่ำเพราะเหตุอะไรที่เป็นคนพิกลพิการเพราะกรรมอะไหนเขาทำกรรมอันไหนไว้เขาจึงเป็นอย่างนี้ คนนี้เฉลียวฉลาดขึ้นมาพเพราะกขาทากรรมมาไหนเขาจึงเป็นคนเฉลียวฉลาดอย่างนี้คนที่ร่ํารวยอย่างนี้เพราะอะไรนี่แหละพระ อ, องค์จึงพระพระพุทธองค์ึงวันดูแล้วว่าพอถึงเที่ยงคืนท่านดูกรรมคือการกระทําทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเพราะนั้นพระ อ, องค์จริงพระพุทธเจ้าจึงตรัสเป็นพระบาลีว่าอักตะังดุกตะตังเสยโย ป, ปัตชาตะปฏิดุกตะตังกรรมชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่า เพราะกรรมชั่วเมื่อพวกท่านทั้งหลายทำแล้วกรรมชั่วนั่นแหละจะพานำไปสู่ความทุกข์เออความทุกข์ความหายยนะนาความไม่พึงปรารถนาต่อไปภายภาคหน้าเพราะนั้นให้พวกท่านทั้งหลายทำแต่กรรมดีคิดดีทำดีพูดดีเมื่อคิดดีทำดีพูดดีแล้วความดีนั่นแหละจะพาพวกท่านไปสู่ความสุขความเจริญมีแต่ความสุขกายสบายใจต่อไปในอนาคตเนย อันนี้แหะคือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าตอนนี้มาพูดถึงย้อนมาถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราทีนี้ท่านให้นั่งภาวนาแล้วทีนี้กาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพุทโธพุทโธแล้วแล้วท่านให้ทำยังไงต่อไปเนี่ยอันนี้พวกเราศึกษาแล้วนะทีนี้ตามแนวแถวขององค์หลวงตาเนี่ยท่านหลวงตาท่านบอกว่าท่านเขาไปศึกษาน้าหลวงกับหลวงปู่มั่นใหม่นะ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 แปลว่าเป็นเรื่องที่เออเหงื่อแตกทีเดียวแเรางั้นเนะ่ยบังคับใจให้อยู่กับกรรมฐานนะเนี่ยอพอวันที่สองที่สามที่สี่เข้ามาเอาอยู่ได้ทำไมอยู่หมัดเลยท่นเนี่อพออยู่เข้าไปท่นเนี่ก็รู้ได้เลยจิตใจรวมสงบเลยโอ้จิตใจรวมสงบแน่นเลยท่นานเลอไม่เผลอเลยท่านเนี่ยนี่แหละ สรุปแล้วก็คือต้องอาศัยการบังคับนะคณะจตหาญ า, าติโยมลูกหลานทุกคนนะการภาวนานต้องอาศัยบังคับตนเองในเมื่อเราบังคับพุทโธพุทโธอยู่แล้วไงเอ่ยเน่งแล้วไงเอ่ยขาขวาพุทขาซ้ายโถเวลาปัดกวากับเวียงขวาพุทเวียงซ้ายโถมีสติสัมปชัญญะในทุกปริยาบุตรไม่ให้เผลอคล้นะายว่าเราหมกเราหมกภาวนาใช่ไหมแหมผัวในสุด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 จุดนี้แหละจุดหนึ่งแหลัมทีส่สาคัญแต่บางท่านบางคนเวลานั่งภาวนาแล้ว อ, อพอจิตสงบแล้วมันจะออกเป็นสมะมันจะออกเป็นวิปัชนาเองอย่าหวังนะท่านว่างั้นนะมันได้เป็นบางคนเท่านั้นเองถ้าบางคนอ่ะเป็นพวกคิปปัญญาพวกรู้ไรเร็วนะออกไปได้เราไม่ว่ากันท่านวานะพอนั่งภาวนาจิตสงบแล้วนํามาพิจารณามันตกออกไปของมันเลยเใช้ปัญญาพิจารณาเลยอันนั้นเราว่าพวกคิดปัญญา พวกรู้ไดเร็วแต่พวกทันทาพิญญาพวกรู้ไดช้าเนี่ยต้องบังคับนะเท่านะ้นี่แหละอันนี้ก็คือเป็นแนวทางของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเรานะคารัตธาญาติลมลูกหลานทุกคนเนะี่ยเวลานั่งภาวนาเมื่อกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่นิ่ ง, ะงนะจิตใจมีความสุขมืึนในสมาธิจิตใจเนี่ยมาสมาธิก็เหมือนกังเราก็เป็นนอนในห้องแอร์ลักษณะอย่างนั้นนะเย็นสบายมีความสุข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 อันนี้ก็คือแนวทางที่ตลงตาเคยพูดให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาอันนี้มาย้าให้พวกเราได้ฟังอีกที่นึ่งผู้ที่ไม่ได้ศึกษาในเรื่องนี้เพราะว่าหลวงพ่อเองก็ได้ยินมามากหลายคนบอกว่าเวลานั่งภาวนาจิตใจสงบแล้วมันจะเป็นวิปัสสนาเองอย่าหวังหลงตาบอกอย่างนั้นเลยนะเพราะนั้นขอให้พวกเราฟังเอาไว้ เรื่องสมาธิก็เป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญเมื่อจิตรวมเป็นสมาธิแล้วทีนหลวงปู่มั่นให้หลวงตามหาบวช ท, ท่านกับครูดุหลวงตามหาบวช ท, ท่านบอกว่าสมาธาิความสุขในสมาธิเนี่ยเหมือนกับเนื้อติดฟันเท่านั้นเองเออเาว่าเนื้อติดฟันมันไม่ได้อะไรมันไม่มีรสมีชาติอะไรต้องวิปัสสนาเสิก ต้องนึกต้องเอานำมาพิจารณาสิเนี่หละลงตาท่างก็บังคับท่นเอออกมาทางวิปัสสนาแยกส่วนแบ่งส่วนของร่างกายท่านกับดูสิเนละร่างกายของเรามีอะไรบ้างเกศาผมโลมาขนหน้าขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังฝืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าจากทันก็มาดูพิจารณาร่างกายท่น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 ถ้านึกคิดธรรมทานะเป็นชัญนากระสังขารมันอีกแนวหนึ่งนะพวกเรานะคณะสัตยญาติโยมลูกหลานนะสัญญากระสังขารมันอีกแนวหนึ่งแต่ว่าทัา่าปัญญาเนี่ยเมื่อเราเพิจารณาด้วยปัญญาใจของเราจะนิ่งเพราะมันผ่านความสงบมาแล้วเนี่ยใจของเราผ่านความสงบผ่านความนิ่งมาแล้ว เ, เ อ, อแต่ว่าความนิ่งคํานี้หลวงพ่ออยากะอธิบายให้ฟังอีกเหมือนกันนะสมาธิคํานี้เนี่ยมันนิ่งขนาดไหน หลวงพ่อคำวันนิ่งใครวันนิ่งกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกใจของเราจะนิ่งสงบพอสงบบางครั้งมันคล้ายๆกับมันจะว่าเย็ น, ะยนว่าในใจอันนี้เรียกว่าคณิกานะแต่มันไม่ไม่อยู่ไม่นานนะเพียงแต่มันเฉอฉาบฉวยโอกาสมาหน่อยเดียวมันฉาบเข้าไป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 อันนี้เรียกว่าคณิกะสมาธินะเริ่มเป็นสมาธิแล้วนะแต่เราจะตั้งที่ไม่ตั้งชื่อว่าไม่เป็นไรแต่ในหลักธรรมคำสอนท่านว่าอย่างนั้นนะให้พวกเราเห้นรู้เอาไว้ว่า น, นี้คือคณิกะสมาธิในเมื่อกำหนดลมหายใจเข้าออกสติสัมปชัญญะของเราเรารู้ว่าใจของเราลึกคิดเรื่องอะไรขณะนี้เดี๋ยวนี้เราปรุงเรื่องอะไรเราคิดเรื่องอะไร เ, เรากาหนดเห็นเรื่องอะไร อ, อันนี้เรียกว่า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 สิ่งที่มันผิดปกติในใจของเราเวามหรือวิวลักษาอย่างนั้นแ่ะแต่มันลงไปอยู่จิกน่งพอนั่งแล้วสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นจิตเป็ น, น, นใดสติเป็นอันนั้นแต่สติกับจิตที่ไม่ส่งออกมาทางกายนะถึงจะมีเสียงฟ้าร้องจะเสียงอะไรก็ตามเพราะนั้นท่านนั่งสมาธิได้ทั้งคืนคือจิตประเภทนี้แหละ จิตที่เป็นอัปปนาสมาธิไม่รับรู้ทางกายกายไม่จเจ็บจะปวดไม่รับรู้มีแต่สติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนิ่งดูได้ชัดเจนอันนี้ระหว่างจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิแต่ไม่ส่งออกมาทางทางตาทางหูโดยมากทางหูะทางตาเราก็หลับอยู่แล้วแต่ทางหูน่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยอแต่มีสติกับจิตเท่านั้นอันนี้แหละ ว, ว่า จิตที่เป็นอัปปนาสมาธิเออจิตจุดนี้แหละจิตที่เป็นอัปปนาสมาธินี่แหละเอ่อผู้ที่ภาวนาที่วา่าจิตที่เป็นอัปปนาสมาธินี่เชื่อมั่นในตนเองว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญเชื่อมั่นเลยไม่ต้องถามใครเลยเพราะหตไรเพราะร่างกายของเราในเห็นได้ชัดว่าร่างกายใจก็คือใจสรุปแ้วก็คือหลวงพ่อเปรียบเทียบให้ฟังว่า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 ทนวัมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษามโนวายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจนี่แหละหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเ จ, จ้าท่านในความสำคัญเรื่องรถเรื่องโซเฟอร์มากกว่ารถถ้าจะเปรียบเทียบรถคันนี้โซเฟอร์เป็นใหญ่โซเฟอร์เป็นหัวหน้า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 นำมาพิจารณามาแยกมาแยกดูรถถอะ่รถของเรามีอะไรบ้างมีตามีล้อมอีสายพานมีคาบงคาบิวอะไรโซเฟอร์จะต้องดูดูรถว่ามันมีอะไรบ้างนี่แหละแยกดูรถของตอนเองนี่ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าให้มองให้มองดูให้แยกคัด แยกดูธาตุขันร่างกายในร่างกายของเรามีอะไรบ้างผลในสุดในเมื่อเราพิจารณาร่างกายทุกส่วนแล้วเห็นโซโฟเฟอร์ก็ต้องมาดูตัวเองร่างกายนี่นะอีกสักวันหนึ่งต้องตายแน่นอนต้องแตกสลายแน่นอนต้องสู่ดินน้ำลงไฟแน่นอนต้องเอาขึ้นสู่เมนเ ผ, เผาแน่นอนแต่ขนาดร่างกายของเรายังไม่ใช่ของเรายังไม่เป็นของเรา แต่ส่วนอื่นเราจะเป็นของเราได้อย่างไงใจอย่าเป็นหลงนะใจนะที่นี่เออเออบอกใจของตัวเองนะที่นี่ใจอย่าไปหลงนะถ้าขนาดร่างกายของเราแท้ๆเราจึงจะไปเผาเขาจะไปเผาไฟทิ้งอยู่เออสามีภรรยาลูกหลานยศถาบัรดาศักดิ์เงินคําทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นของเราได้อย่างไรใช่ไหมใจใ มันเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจแหละนะท่นนี่ในเมื่อพิจารณาจ้อนดูเสร็จเรียบร้อยแล้วมันเกิดวิ่งเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจใจนั่นแหละเป็นหลงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจากนั้นก่อนเอาสติปัญญาเข้ามาพิจารณาใจใจอย่าไปหลงนะอย่าไปหลงสิ่งทั้งภายนอกนะขนาใจของตนเองก็ยังไม่ให้หลงอีกท่านี่เมื่อเห็น ่ใจของตัวเองมันคิดอะไรตุกติกตุกติกดุกติกคิดดีคิดชั่วคิดพอใจไม่พอใจดีอกดีใจอยู่ในจิตในใจของเราลึกในเมื่อมีสติสัมปชัญญะแต่ว่าสติตัวนี้ไม่ใช่สติธรรมดานะเหลวงตาท่านตั้งชื่อว่ามหาสติมหาปัญญาทีเดียวแหละท่านมาดูตัวนี้มาดูใจมาดูตัวผู้รู้เนี่ยนั่แหละผลที่สุดเมื่อเราพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลรู้แจ้งเห็นจริงแล้ว มันสิ่งทั้งหลายต้องปวงออกไปจากใจทั้งหมดท่นี่มันไม่ใช่ออกไปจากที่อื่นเพราะฉะนั้นทำคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านจึงให้พิจนารณาดูดูที่ใจเบื่อหน่ายคลายที่ใจใจของเราจะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลส ท, ท่นี่พอเราเกิดความเบื่อไปยึดไปกระเท่านั้นไปยึดภายนอกไม่ใช่ของเราแต่ไปยึดธรรมะนี่แหละ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 หลวงปู่มั่นท่านสอนอย่างไรพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดสู้ท่านตัดสู้อย่างไรแล้วหลวงปู่มั่นท่านนำทั้มคาสอนของพระพุทธเจ้ามาประยุกต์ใช้กับท่านอย่างไรแล้วท่านได้นาสั่งสอนสิทธิารุสิทธิ์ของท่านอย่างไรในหลักขอยพวกเรายึดเป็นแนวแถวสายของของหลวงปู่มั่นเมื่อหลวงปู่มั่นจุตินิพพานพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเรา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 พวกเราได้อยู่ได้เห็นพระอาหารหันต์นี่ตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือกระดูกของพระอาหารหันต์กระดูกที่กลายเป็นพระธาตุเนี่ยเพราะนั้นพวกเราหน้าจะภาคภูมิใจนะคณะสัตยาญาติโยมโลูกหลานโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งพี่น้องชาวอุดรของพวกเราขนาดหลวงพ่ออยู่ต่างจังหวัดหลวงพ่ อ, อยังมาอยู่กับพี่น้องลูกหลานชาวจังหวัดอุดรด้วยความรักเคารพในพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างสุดซึ้ง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 ปาน่นันติบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกหน้าทั้งโลกนี้ถ้าคนมีบุญได้ทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลไว้บุญกุศลก็จะคุ้มครองพวกเราท่านทั้งหลายในเมื่อพวกเรายังไม่พ้นทุกยังมีกิเลสอยู่ยังไม่พ้นทุกยังไม่หมดจดยังไม่บริสุทธิ์บุญกุศลตัวนี้ที่พวกเราได้ทำไปแล้วนี้